เรื่องมีศรัทธาหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับหญิงคนหนึ่งว่าน้องหญิงเธอเป็นคนมีศรัทธาจะถวายสิ่งที่เธอให้แก่สามีแก่พวกอัตมาบ้างไม่ได้หรืออะไรเจ้าคะภิกษุนั้นตอบว่าเมถุนธรรมแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาทิเศหรือหนอจึงนำเรื่องนี้